ทั้งสองฝ่ายที่เพิ่งจะมาพบหน้ากันภายหลังพักกันไปร่วม24ชั่วโมงทักทายกอดรัดกันแน่นทมกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับของพวกลูกหาบที่กระโดดโลดเต้นอยู่รอบๆและสั่เสียงผู้จาซักถามซึ่งขณะนี้แยกสับสำเนียงไม่ได้บุญคำและจันตกอยู่ในสภาพเดียวกันเพราะเป็นบุคคลที่อยู่ในคณะของการถูกพักพวกเบื้องหลังเข้าใจว่าตายไปแล้ว เช่นนี้โดยเฉพาะตาคําเสียงขโมงโฉงเฉงอยู่ท่ามกลางพวกกะเรียงทั้งหลายคนนั้นถามคนนี้คนนั้นถามคนนี้แล้วคนนี้ก็ถามไปยังคนโน้นวุ่นวายไปหมดทั้งคริสและเชีร์วูดถูกรุมก่อจากสเตลลีคิตและเบลและชัว่วพริกตาต่อมาทั้งสองก็ถูกพวกลูกหากับกะเรียงอุทะและพาโต้เอาขึ้นบานําแบกไปรอบๆ บ, บริเวณแคมป์ที่วางกระโจมพักของฝ่ายอเมริกัน ทุกคนดีใจแสดงออกให้เห็นได้ชัดถึงการรอดชีวิตของคนทั้งสองสุภาพบุรุษภัยเลี่ยงแยกออกจากกลุ่มอันกำลังต้อนรับกันอย่างวุ่นวายโกลาหลนั้นโดยที่ใครยังไม่ทันสังเกตเดินหลบไปยังกองสัมภาระและที่พักของพวกลูกหาบใต้ร่มตะแบกใหญ่พอถึงก็ทิ้งกายนอนหงายเหยียดยาวศีรษะหนุนถังข้าวสารรุปปีกมักลงมาครอบหน้า แล้วก็ดับเครื่องไปทันทีอย่างอ่อนเพลียกิจสุดปล่อยหน้าที่ซักถามอธิบายเหตุการณ์ต่างๆให้เชิดวุธคริสบุญคำและจัน์จะบอกเล่าแก่พวกนั้นเอาเองฝ่ายรอคอยและฝ่ายที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงได้พาการเข้าไปนั่งสนทนาสอบถามความเป็นไปอย่างละเอียดของแต่และฝ่ายภายหลังจากความตื่นเต้นได้สางซาไปแล้ว เชิดบุตรได้รับการตรวจดูบาดแผลจากหมอเบลและดำเนินการชำระล้างข้าเชื้อฉีดยาชาพร้อมทั้งลงมือเย็บให้อย่างรีบด่วนพูดคุยสนทนากันไปพลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความแช่มชื่นความทุกข์เศร้ากังวลใจของทั้งสองฝ่ายหายไปเป็นปริทิ้งขณะนั้นแม้จะบ่ายแต่ตะ ว, วันก็ยังเจิดจ้าข้าวฝนถูกลบนพัดเปลี่ยนทิศ ไปตกในหุบลึกเอ๊ะนี่พลันใหญ่ของเราไปไหนเนี่ยใครเห็นบ้านกระพินไปไหนหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ดูเหมือนเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้พูดขึ้นดังๆพร้อมทั้งกว่าสายตาไปรอบๆทั้งหมดในกลุ่มนั้นรวมทั้งจันและบุญคำที่ถูกเรียกให้เข้ามานั่งรวมเพื่อสอบถามความอยู่ด้วยต่างก็เพิ่งจะรู้สึกว่าระพินไม่ได้รวมกลุ่มอยู่ด้วยช่วยกันชะเง้อมองไปรอบๆ นู่นในห้างปราณใหญ่ไปนอนแอ่งแมงอยู่ใต้ต้นไม้นอนไงจันชี้บอกทุกสายตาพุ่งไปยังจุดนั้นอ้าวนี่เขาแยกตัวไปตอนไหนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่นึกว่าอยู่ที่นี่ด้วยซะอีกสแตนลียุทานออกมาอย่างงงงงประหลาดใจก็คงตอนที่พวกนายห้างมัวแต่ดีใจได้พบเห็นหน้ากันละมัง้ง บุญคำตอบปนหัวเราะน้ำเสียงของแกปกติธรรมดาแต่ฝ่ายมริกันทั้งหมดรวมทั้งเชิดบุตรผู้นั่งให้เบลเย็บแผลอยู่เต็มไปด้วยความกังขาเกิดอะไรขึ้นกับไอเสือนั่นหรือเปล่านะแอบไปนอนเงียบอยู่ตรงนั้นคนเดียวอะ่ะคิดเอ่ยขึ้นโดยเร็วเบลเองก็ชะ ง, งักการเย็บแผลเชิดบุตรคริสกับหัวหน้าคณะจ้องขมิง ระยะมันห่างออกไปแค่ไม่เกินยี่สิบเมตรเท่านั้นสเตลีหันมามองหน้าจันและบุญคำเ อ, อ่ยถามเป็นภาษาไทยว่าพรันใหญ่เป็นอะไรอะ่ะไม่เป็นไรรอกนายห้างคงเพรีย ม, มากอะแกแทบไม่ได้พักเลยตลอดทั้งคืนที่แล้วมาติดเปลมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เพราะได้ตัวนายทหารกระแม่มคริสเอามาส่งคืนไปให้แกก็คงง่วงอะ่ะหมดแรงเต็มที ก็เลยแอบหนีไปนอนพักอยู่นั่นทั้งห้าคนรวมทั้งเชิดบุษขยับตัวแต่คริสติน่าลุกขึ้นอย่างรวดเร็วบอกเรียบเรียบว่าทุกคนอยู่ที่นี่แหละเบรจัดการแผลเชิดบุธให้เรียบร้อยฉันจะเข้าไปดูเขาเองกล่าวจบหล่อนก็สาวเท้าตรงไปที่ร่างของรพินผู้นอนหงายสงบนิ่งอยู่ทันทีซึบตัวลงคุกเข่าใกล้ๆ วางฝ่ามือแผ่วเบาลงบนสวงอกที่สะท้อนขึ้นลงเป็นจังหวะหายใจสม่ำเสมอแผ่วเบาของเขาอีกมือหนึ่งค่อยๆแตะเบียงหมวกที่รุบลงมาปิดหน้าเพื่อมองเห็นหน้าถนัแสงตะวันบ่ายที่ลอดกิ่งไม้ลงมาสองแทบจับเปลือกตาปิดสนิทของเขาจอมพรายย่นเปลือกตาหลบแสงจ้านั้นเลื่อมมือมาจะเอาหมวกคลุมหน้าไว้อีก แต่แขนของเขาที่ยกขึ้นกระทบกระรวงอกของหล่อนเข้าพอดีและหล่อนก็จับมือข้างนั้นไว้ระพินเสียงเรียกแผ่วเบาจอมพรานขมวดคิ้วลืมตาขึ้นก็พบตาสีฟ้าของแม่ผมทองจับนิ่งไว้ก่อนแล้วในระยะใกล้คริสถ้าคุณเหนื่อยเพลียแล้วอยากจะนอนพัก ฉันก็ไม่ได้มารบกวนอะไรหรอกแต่อยากรู้ว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าฉันหมายถึงคุณไม่สบายหรือเปล่าแพินปิดปากเถาวอดยิ้มให้นิดนึงสันหน้าโอ้ยผมไม่เป็นไรหรอกคริสสบายดีทุกอย่างแต่ง่วงอ่ะง่วงพี่ลึกฝากบอกวพวกคุณด้วยละกันไม่ต้องห่วง นอนสักพักหนึ่งชั่วโมงเดียวะแล้วเดี๋ยวผมไปร่วมด้วยตอนนี้ไม่มีอะไรจะต้องกังวลแล้วไม่ใช่เหรอเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็ขอให้คุณกับคุณเชิดวุฒิอธิบายปักพวกทราบเองแล้วกันตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วลืมตาไม่ขึ้นเลยก่อนตบเบาๆลงที่ทรวงอกเขาแล้วรูปปิดหมวกปิดบังแสงให้ตามเดิมถ้างั้นก็แล้วไปนอนตามสบายนะ ไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะต้องตื่นขึ้นมาตอนไหนท่านกระเชิดบุตรจะทำหน้าที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้สามคนนั้นฟังเองโดยหมวกที่ปิดอยู่ครึ่งหน้าริมฝีปากภายใต้เคราเขียวนั้นยิ้มโรยโรยคุณอะไรที่จะเล่าให้เขาฟังได้ก็เล่าอะไรที่ควรจะเก็บไว้ก็เก็บ ไม่จำเป็นจะต้องบอกทุกอย่างหรอกคุณการุณาเถอะอย่าเชื่อฉันด้วยคำพูดอย่างนี้สิโปรเถอะคริสผมปรารถนาดีต่อคุณเสมอนะไม่ได้คิดจะเชื่อเฉื่ออะไรคุณหรอกระพินฉันจะสบายใจกว่านี้นะ ถ้าหากว่าคุณจะยกโทษให้ฉันคุณไม่เห็นมีโทษอะไรที่ผมจะต้องยกให้นี่คริสก็อย่างน้อยที่สุดตรงริมฝั่งทานทั้งวาจาและการกระทำอันไม่เหมาะสมของฉันที่ปฏิบัติกับคุณไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ฉันยิงปืนใส่คุณไงผมรู้คริส ว่าคุณไม่ได้ต้องการจะยิงให้ถูกผมหรอกมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของผู้หญิงเท่านั้นเอครับลืมเถอะพบกันใหม่เมื่อผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งและเราจะแจ่มใสก็าหากันคริสติน่าถอนใจจับปลายคางเขาเขย่าเบาๆกระซิบว่าหลับแล้วก็ฝันดีนะฉันไปละกล่าวจบหล่อนก็ลุกขึ้น ร้องตะโกนสั่งพวกลูกหาบที่เกรอยู่บริเวณใกล้เคียงนั้นให้จัดการขึงผ้าบังแดดที่สองตัวเขาแล้วเดินกลับมาอย่างคณะเขาไม่เป็นไรหรอกเพียงแต่เพียมากไปก็อย่างที่บุญคําว่านะแล้วก็ขอนอนหลับต่อสักครู่เท่านั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งรบกวนเขาก่อนเลยเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จสิ้นอย่างดีที่สุดแล้วคริสกล่า ทุกคนถอนใจออกมาได้อย่างหมด่วงเบงถามมาว่าแน่ใจนะคริสว่าเขาไม่ต้องการยาหรือหมอในขณะนี้แน่ใจคริสบอกเสียงเรียบเรียบถ้างั้นก็ปล่อยเขาตานสบายเถอะเราจะปลูกเขาอีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นอ่คริสนั่งสิเรามีเรื่องจะคุยกันมากทีเดียวเธอก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเราทางด้านนี้น่ะ ทำพิธีส่งวิญญาณของเธอกะเชิดวุตแล้วนึกไม่ถึงว่ามักคุเทศกระดุกเหล็กของเราคนนั้นจะดันด้นไปตามอวเธอสองคนกลับมาได้ในสภาพที่เรียกว่าเรียบร้อยที่สุดแต่พอทำงานได้ผลสำเร็จตัวเองก็ลงนอนแผ่เลยหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นปนหัวเราะอย่างอารมณ์ดีชุดมือแม่นักเคมีฟิสิกสาวอันเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาให้นั่งรวมกลุ่มอีกครั้ง ยันก็บอกอ่อยๆกับทุกคนว่านายระพินน์น่ะเขาลำบากกรากราเหนื่อยยากกว่าทุกคนสายตัวแทบขาดหาให้ตายในโลกนี้ก็หาคนจริงอย่างนายไม่ได้อีกแล้วล่ะแกรักนายจ้างของทุกคนยิ่งกว่าตัวแกเองซะอีกยอมตายแทนได้เสมอเป็นคําพูดที่ฟังเรียบง่ายแต่ฝ่ายอเมริกันทุกคนที่ได้ยิน เอ้งงนกันไปหมดจันเขาไม่จําเป็นจะต้องรักนายจ้างทุกคนหรอกแต่เขารักเกียรติและซื่อสัตย์ต่อ ง, งานในหน้าที่ของเขาต่างหากละ่ะพวกเธอที่เป็นลูกน้องของเขาทุกคนควรจะภูมิใจในตัวเขาได้อย่างเต็มที่และทางด้านเราทุกคนก็ยอมรับว่าคนอย่างนี้นะ่ะหายาก คริสติน่าตอบเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองเชิดบุตรได้รับการเยียวยาบาดแผลที่หน้าผากจากเบลเสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาไม่นานนักแล้วเรื่องราวระหว่างฝ่ายต่างๆจึงถูกนำมาเล่าสู่กันฟังให้แต่และฝ่ายเข้าใจอย่างละเอียดทีทั่วหมดว่าภายหลังจากหินภูเขาถลม่มลงมาแล้วฝ่ายใดด้านใดเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ชนิดใดบ้าง หนาในจ้างทั้งหมดอันรวมทั้งเชิดบุษและคริสจึงเพิ่งจะมาทราบความจริงออบัตนี้เองว่าประมาณสมนาฬิกาของเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนที่รพินจะออกติดตามไปนั้นบุญคำกระจันได้ย่องกลับมาถึงแคมป์พักนอนบนยอดสักดำกันก่นกอนแล้วโดยเข้าใจว่าคริสกับเชิดบุษต้องเสียชีวิตแน่และไม่สามารถจะหาทางเชื่อมต่อภายในพโพรงถ้าใต้ภูเขา เพ่แสวงหาบุคคลทั้งสองได้จึงต้องย่องการเข้ามารายงานระพินโดยไม่ให้ใครทราบทั้งสิ้นยกเว้นเกิดเพียงคนเดียวและเมื่อพรานใหญ่ทราบเรื่องเข่าจึงสั่งให้ทั้งสองนําย้อนกลับไปสํารวจใต้ถ้านั้นอีกครั้งจนกระทั่งตรวจพบเส้นทางในระดับหลืบเพดานด้านบนได้บุญคํากระจันบอกความจริงดังนั้นทุกคนก็เข้าใจได้ดีหมด โดยไม่ต้องอธิบายอะไรกันอีกทั้งสิ้นว่าทีรพินยังไม่ยอมบอกความจริงอะไรก่อนรีเพลทลอดชิงออกติดตามด้วยตนเองโดยให้พรานคู่ใจทั้งสองนําย้อนกลับไปยังที่เดิมนั้นก็เพราะไม่ต้องการให้สเตลีคิดและเบลโกรงตกใจหรือเกิดปริวิตกมากเกินไปนั่นเองและก็ยังต้องการปิดเป็นความลับว่าความจริงนั้นคริสกระเชิดบุตรผิดแผน ซึ่งตกลงกันไว้แต่แรกกับฝ่ายบุญคําโดยมุดเข้าช่องตันใต้ภูเขาลูกนั้นมันหมายถึงหมดโอกาสที่จะรอดออกมาได้อีกแล้วแต่ทางด้านตัวของเขาเองนั้นไม่ยอมละความพยายามที่จะค้นหาให้ได้จัดว่าเป็นวิริยะบากบันจนสุดชีวิตเพื่อจะช่วยบุคคลสาบสูญทั้งสองโดยไม่มีการย่อท้อทอดอะไรงอมืองอเท้าเลย คนคนนี้ถ้าเป็นมิตรก็เป็นมิตรชนิดประเสริฐสุดแต่ถ้าเป็นศัตรูก็จะเป็นศัตรูที่น่ากลัวที่สุดเหมือนกันอเมริกันอาวโสของคณะคลางออกมาอย่างยาเกรงและคาระวะต่อน้ำใจผมอยากรู้ว่าเขาคนนั้นเชิดบุดบุยปากไปยังร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่ไม่ห่างออกไปนักเขาชนะจิตใจพวกคุณบ้างหรือยัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความจริงใจของเขาพูดบาบบ้าวุฒมีอะไรที่จะต้องพูดแบบนี้พวกเราไม่จริงใจกับเขางั้นเหรอคิดพองออกมาอย่างฉุนฉุนหุบปากทั้งสองคนเบนร้องออกมาเสียงคุนคุนอะไรพเพิ่งรอดตายมาพบหน้ากันหยกๆยกจะมากินเหลี่ยมกินคูอะไรกันอีกโดยเฉพาะวุฒ รอนหันไปตบไหล่ดังพลุ้ด้วยกำปั้นแล้วชี้หน้าคุณมากับพวกเราทแท้ๆเลิกมองเราในแง่ร้ายสีทีเถอะคุณเองยังคอยระแวงฝ่ายเราอยู่เช่นนี้จะไม่เขาระแวงเราได้ยังไงเลิกคิดสทีว่าพวกเราจะหักหลังอะไรเขานายทหารหนุ่มแห่งกองทัพ บ, บกไทยหัวเราะเสียงกล่อยๆผมก็อยากจะเน้นไว้เข้าใจกันให้ท่องแท้สที พระรูปการครั้งแรกมันไม่สู้จะดีนักออกเดินทางมาได้แค่วันเดียวนายคิดก็มีเรื่องตะบันหน้าการะพินใช่ละและสายตาพวกคุณในครั้งแรกก็มองเขาในเชิงดูหมินตลอดเวลาไม่ว่าจะกิริยาหรือคำพูดแต่ตอนนี้ก็หวังว่าคงจะซึมซาบกันดีแล้วสินะว่าคนคนนั้นน่ะเป็นยังไงคิดโบกมือบ่นอุ้อี้ว่านอ่าเอาเรื่องเก่ามาพูดเลยวะวุฒ เรื่องมันก็แล้วมาแล้วคนเราไม่คุ้นเคยกันมาก่อนไม่รู้นิสัยใจคอกันมันก็อาจจะผิดเส้นกันบ้างแต่ตอนนี้ฉันไว้วางใจระพินมากกว่านายสิให้ตายหาสิวะและจีไอยศพันเอกก็หันมาอุบกอดไหล่คริสติน่าถามตามนิสัยผงผางค่อนข้างทะลึงว่ะติดถังอยู่ใต้ภูเขาสองคนก็วุธเมื่อคืนนี่เป็นไงมั่งคริส แม่ผมทองใช้ท่อนแขนกันแขนของนายคิดออกช้าๆอย่างคนที่ไม่ถึงกระรักนวนสงวนตัวแต่ถ้าว่าเท่าทันในการเล่นชนิดหมาหยอดไก่อย่าปากหมาถ้าแปลเป็นไทยประโยคนั้นก็ได้ความดังนี้ถ้าเป็นเธอตกอยู่ในภาวะอย่างฉันเมื่อคืนนี่คงเอาหัวชนกำแพงทำตายไปแล้วละ่ะคิดหัวร้อนชอบอกชอบใจ ส่วนเชิดวุธมองมาที่คริสติน่าอย่างนึกรักขึ้นอีกเป็นอักโขเขาพยายามมองสบตาหลอนแต่แม่ผมทองไม่มองตอบก่อนตะวันตกดินทั้งชุดอยู่ในภาวะพักผ่อนโดยเฉพาะคริสติน่ากระเชิดวุธรก็ลงนอนเช่นกันส่วนจันและบุญคำแยกไปอาศัยนอนพักเอาแรงใกล้ๆเจ้านายตน ภายหลังได้รับรางวัลบรันดีจากสแตนลีเต็มกระติกปริมาณเท่ากับหนึ่งขวดคิดใช้เวลาว่างระหว่างนั้นจัดการกวิทยุรับส่งเครื่องใหญ่ซึ่งก็ปรากฏว่ามันสามารถติดต่อกระหอบังคับการลอยได้พอดีพอสมควรรายงานข่าวให้ทราบแต่จะรายงานว่ายังไงทางฝ่ายเชิดพุตอันเป็นตัวแทนของฝ่ายไทยที่อยู่ใกล้ชิดเพียงคนเดียว ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะใช้รหัสที่แปลไม่ออกเพียงแต่รู้สึกว่ามีการพูดติดต่อกันครู่ใหญ่โดยมีหัวหน้าคณะคือด็อเตอร์สแตนลีย์เป็นผู้ติดต่อด้วยหลังจากนั้นก็ลึกแต่เครื่องยังตั้งเตรียมพร้อมไว้เพื่อจะติดต่ออีกได้ตลอดเวลา 85. ้าณเช้าตรู่ของวันเดียวกัน ที่รพินออกบุกบันซอกซอนไปในถ้ำลึกเพื่อค้นหาเชิดวุตรกับคริสตินานั่นเองเป็นเช้าตรู่ทางด้านฝ่ายติดตามหลังมาคือเชิดเชิฐากับคณะที่ตื่นกันขึ้นมาพร้อมกันหมดจากการพักแรมที่หมู่บ้านซับบอนของกะเหรี่ยงปีหมอกจางพอมองเห็นเส้นลายมือได้ถนัดและอาหารเช้ายังไม่สุกเพียงแต่ต้องกาแฟดื่มรองท้องกันก่อนเท่านั้น นายบ้านซับบอลคือเกเรียงปีกับพวกเจ็ดแปดคนก็ถือปืนแก๊ปเข้ามายังกลุ่มของเชษฐาพวกนายจะไปดูตรงที่นายรพินกับพวกนั้นมาพักนอนกันชัดๆอีกสักครั้งไหมเช้าวันนี้เจ้าปีถามขึ้นทุกคนมองหน้ากันแต่ดารินไม่มีการลังเลเลยฉ่วยได้ไรเฟิลประจำมือลุกขึ้นยืนบอกง่ายๆว่าไปพี่ชายกลางขับโพ่งขึ้นมาว่า จะมีประโยชน์อะไรละน้อยในเมื่อเราก็รู้แล้วว่าเขาพักกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วเมื่อคืนนี้เราก็ไปเห็นกันบ้างแล้วไปทาไมเสียเวลาไปเดี๋ยวกินอาหารเสร็จก็เตรียมออกเดินทางดีกว่าสําหรับเสือตัวที่น้อยยิงไว้เมื่อคืนน่ะกเรื่องพวกนี้ก็ต้องการให้นี่ต้องการก็ให้จัดการเอาเองแล้วกันไม่ค่ะพี่กลางน้องสาวเล็กบอกอย่างเด็ดเดี่ยวชนิดจะไม่ยอมให้อะไรมาขัดขวางได้ ใครไม่ไปก็ไม่ว่าอะไรทุกคนอยู่ในแคมนี่แหละน้อยไปกับพวกนี้เองก็ได้รับรองเดี๋ยวเดียวกลับเมื่อคืนนี่มันมืดมองเห็นอะไรไม่ถนัดนักหรอกอยากจะไปดูให้ชัดๆในเวลากลางวันว่าแล้วหล่อนก็พยักหน้ากันในบ้านซับบอลและพวกนั้นพูดภาษากะเหลียงว่าไปเราไปด้วยกันพวกกระเหลียงพากันลุกขึ้นจากการนั่งยองๆและดารินก็ ก้าวนออกไปทันทีเฉถาชายันและอนุชาทนอยู่ไม่ได้ก็จำเป็นต้องคว้าปืนลุกตามเอา้าเอา้าตามใจเจ๊กันหน่อยเจ๊เจ้ า, จายัางไงก็เชิญเอะเมื่อคืนนี้ก็ทำให้พวกเราปวดกระโหลกไปทีนึงละชฉยันบนุญก้าวเข้ามาประกบเคียงข้างเษถานั่นเดินตามหลังมาโดยไม่พูดอะไรทั้งสิน้นส่วนอนุชาหรือพันชด หันไปดีกนิ้วเป็นสัญญาณกระพรานเก่าแก่คู่ใจคือนานอินแล้วตะกนสั่งขยินให้คุมพวกลูกหาบไว้ดำเนินการหงาุงหาโดยไม่จำเป็นจะต้องไปด้วยให้เสียเวลาซึ่งจะานักเลงโตหล่มช้างก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยดีทั้งกลุ่มโดยการนำของกระเหลียงปีซึ่งมีดารินและชา ย, ยันเดินตามไปติดตดิตัดทางออกจากหมู่บ้านบ่ายหน้าเลาะลัดลทางขึ้นไป ยังตำแหน่งเดิมที่ไปกันเมื่อคืนนี้แล้วอีกครั้งโดยมีอนุชาเชษฐาและพรานเท่าหนานอินทอดระยะตามมาเบื้องหลังท่ามกลางอากาศสดใสของป่าและเสียงนกลิงข้างระงมไปหมดชั่วไม่นานท่ามกลางแสงสว่างของอรุณรุ่งเกรียงปีกพวกก็นำคณะทั้งชุดมาถึงยังตำแหน่งอันเคยเป็นที่วางแคมป์ของระพิน นายจ้างอเมริกันอีกครั้งพร้อมทั้งชี้ให้ดูบริเวณที่ถึงกระโจมอันยังมีร่องรอยเห็นอยู่ชัดเศษเครื่องกระป๋องเรชิ่นและเศษวัตถุที่ไม่ต้องการแล้วถูกกวาดเข้าไปหมกอยู่ใต้คูนไม้ใหญ่เมื่อเป็นเวลากลางวันแล้วเช่นนี้ก็สามารถช่วยให้สํารวจได้อย่างละเอียดละอ่อนัดชัดเจนทีเดียวทุกคนของฝ่ายเชษฐา เดินแยกย้ายกันตรวจหาหลักฐานต่างๆทั้งก้นบุรีก้นซิก้าปลอกกระสุนไรเฟิลขนาดจุด4 5 8และปลอก 5.56 มมอันเป็นกระสุนของ m 16ซึ่งเห็นอยู่ทั่วไปกระเรียงปีอธิบายให้ทราบว่าปลอกลูกปืนเหล่านั้นส่วนมากเกิดจากการลองทางปืนไม่ใช่การประทะกับฝูงสัตว์หรือเกิดการสู้รบกระายใดทั้งสิ้น พวกหมู่บ้านซับบอนข้ามฝั่งลำทานตรงไปที่ซากช้างเน่าซึ่งมีซากเสือใหญ่ที่ดาริงยิงฟุบคาซากช้างเมื่อคืนพร้อมกับตะโกนพูดอะไรกันจอกจเชิดทาชวนทุกคนให้ข้ามทา น, น้ำตรงไปดูยังตำแหน่งนั้นด้วยแต่พอมายืนชิดอีกฝั่งหนึ่งมองไปเห็นเป้ามหมายห่างออกไปไม่เท่าไรนักทุกคนก็ทนกลิ่นช้างเน่าไม่ไหว จึงเปลี่ยนความตั้งใจปล่อยให้เป็นเรื่องของกระเียงรับบอลตามลำพังที่จะจัดการแบกหามเสือตัวนั้นคงเดินเกรดตรวจ ด, ดูบริเวณอันเป็นแคมป์พักของระพินเท่านั้นที่พูรากไม้ใหญ่ใกล้ตำแหน่งปักเสาเต็นท์พักอันมีรอยแกะสลักไว้เป็นตัวอักษรและหล่อนมองเห็นแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้ ดารินสุดตัวลงนั่งบังไว้ซะเพื่อไม่ให้คนอื่นๆเห็นข้อความนั้นอีกสักร้อยปีถ้าไม่มีใครมาถากถางเนื้อไม้บริเวณ น, นั้นออกมันก็คงจะปรากฏอยู่ว่าลาก่อนดารินยอดรักเราจะไม่พบกันอีกแล้วและแม้ว่าวิญญาณฉันจะออกจากราก ไม้นี้จงเป็นพยานเถิดว่าจะขอรักไปทุกชาติทุกภพหล่อนไม่ต้องการให้ใครในบรรดาพี่ๆหรือเพื่อนเห็นเลยและอยากจะบังซ่อนไว้ให้มิดที่สุดเพื่อที่จะจดจำข้อความนั้นไว้กลางใจเงียบๆคนเดียวและขณะนี้หญิงสาวกำลังมองหาอะไรสักอย่างที่จะมาปิดบัง พรางตาไว้เป็นต้นว่ากิ่งหรือใบไม้ขนาดใหญ่โดยไม่มีใครสงสัยเชียวาเข้าไปใช้ไม้เขี่ยดูเศษขยะของกลุ่มบุคคลชุดที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วเพื่อจะสอบถามอะไรบางชนิดตามความละเอียดถี่ถ้วนของเขาชายันก้มก้มเงยเงยค้นหาปลอกกระสุนที่ตกเรี่ยราบอยู่เป็นหย่อมๆเพื่อพิจารณาให้แน่ชัดว่า มีปืนกี่ขนาดที่ใช้ยิงกันบ้างซึ่งการยิงเหล่านั้นพวกกะเหรี่ยงซัก บ, บอนก็ได้บอกแล้วว่าเป็นการทดสอบทางปืนส่วนอนุชาและหนานอินพรานคู่ใจไม่ทิ้งนิสัยเดิมอันเป็นพรานโดยเฉพาะอนุชานั้นก็เทียบเท่ากับพรานอาชีพไปแล้วได้ออกเดินเกรดตรวจ ด, ดูในอาณาบริเวณรอบๆห่างที่พักออกไปเล็กน้อยโดยถือหลักว่า หลักฐานร่องรอยใดๆก็ตามที่จะค้นพบได้นั้นเท่ากับเป็นการบอกลาบได้อย่างดีที่สุดว่าคนชุดแรกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นมีการเคลื่อนไหวหรือกระทําอะไรกันบ้างระหว่างหยุดพักดารินถือโอกาสตอนที่พี่และเพื่อนแยกย้ายกันห่างออกไปนั่นเองชะงกตัวไปลากกิ่งไม้อันประกอบด้วยใบแห้งซึ่งเป็นรอยถูกตัดไว้ โดยฝีมือพวกพรานพื้นเมืองของระพินอาจจะเอาไว้สมบนเพิงชั่วคราวกันน้ำค้างตกทิ้งอยู่ใกล้ๆดึงเข้ามาปิดที่ภูของรากไม้ใหญ่อันมีรอยมีดสลักตัวอักษรไว้เจตนาของหล่อนที่จะปิดบังซ่อนงำไม่ให้ใครเห็นข้อความนั้นก็สำเร็จผลครูต่อมาเทพถาผู้แยกไปทางด้านหนึ่งชัยยันและอนุชา นันอินอันแยกเดินตรวจไปในรัศมี20เมตรรอบแคมป์พักก็เข้ามารวมจุดกันมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมประการที่เรารู้ล่วงหน้าแล้วว่าคืนแรกระพินนำพวกนั้นมาพักนอนอยู่ที่นี่บ้างไหมพี่ชายใหญ่เ อ, อ่ยขึ้นอนุชาชี้มือไปยังโขดหินใหญ่ก้อนหนึ่งด้านขวาของทางด่านห่างออกไปราว20เมตรเห็นโพเดนชัด อยู่ในพงไม้เตี้ยเตยีมีครับมีรอยกระสุนไรเฟิลขนาดใหญ่เข้าใจว่าคงจะเป็น4 5 8วิ่งเข้าไปกระทบที่โขดหินก้อนนั้นแตกร่วนไปหมดแล้วก็มีกระป๋องเรชั่นที่วางเป็นเป้เปาถูกกระสุนทะลุยับเยินไปเข้าใจว่ารพินและพวกนั้นคงจะทดลองศูนย์ปืนโดยนำกระป๋องไปวางไว้ตรงนั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรนอกจากรอยตัด กิ่งไม้ไมาใช้ประโยชน์แต่ละพินก็คือระพินนั่นแหละเขาก็แยกตัวมานอนโดดเดี่ยวใกล้ๆกับพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบของเขาเพราะมีรอยดับก้นบุรีอยู่ตรงโน้นหลายก้นส่วนใต้ต้นไม้นี่ก็คงเป็นกระโจมพักของนายจ้างฝรั่งสี่คนกับนายทหารไทยอีกคนนึงอันแยกต่างหากกับป่าส่วนพวกลูกขาบกระจายกันนอนล้อมพวกนายจ้างไว้ตรงกลาง พวกนั้นได้รับบริการคุ้มครองป้องกันภัยอย่างดีที่สุดมีรอยก่อกองไฟไว้บริเวณรอบชั้นที่พักนอนของพวกนายจ้างด้วยสามทิศเลยเชิดาพยักหน้าอืพี่ก็เข้าไปดูเศษวัสดุที่เขากวาดเข้าไปสมกองทิ้งไว้ที่โคนไม้ตรงโน้นส่วนใหญ่ก็เป็นของใช้แล้วของพวกฝรัง่งสเบียงอันเป็นเครื่องกระป๋องล้วนชั้นดีทันสมัยนะ่ เกินกว่าที่เราเคยพบเห็นสำหรับผู้หญิงสองคนที่มาด้วยในคณะก็กลมกลืนชำนาญในการชนิดนี้มากเพราะไม่เห็นทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้จับสังเกตเห็นได้เลยว่ามีผู้หญิงสาวสองคนร่วมมากับคณะด้วยว่าแล้วพี่ชายใหญ่ก็ส่งหลอดยาเล็กๆสองหลอดที่เก็บติดมือมามีรอยถูกเลือดปลายออกดูชายแล้วส่งไปให้น้องสาวดูแทนคาตอบ ดารินรักมาพิจารณาอึดใจเดียวก็บอกว่าอ๋อยาฉีดกันบาดทยักแล้วก็แก้อักเสบกันหนองค่ะคงจะมีการปฐมพยาบาลกันที่นี่จากเหตุการณ์ที่กระเหลียงพวกนี้เล่าให้ฟังว่ารพินประทักกับฝรั่งตัวโตนั่นจนถึงกระชกต่อยกันหน้าตาเหตุภาวานาว่าให้ไอ้ฝรั่งนะ่ะเจ็บกว่ารพินของเธอแล้วกันนะน้อย ชียันว่าดารินยิ้มซึมซึมไม่เปล่าเช่นไรขณะนั้นเองฝั่งตรงข้ามที่กระเียงปีกับลูกบ้านเจ็ดแปดคนกำลังตัดไม้ชุนละมุนอยู่กับอยู่กับการที่จะแบกเสือขนาดเรื่องซึ่งดาริงยิงฟุบคาสากช้างไว้แต่เมื่อคืนเพื่อจะนำข้ามกลับมาก็มีเสียงร้องลั่นอย่างตื่นตกใจขึ้นเสียงพวกที่แยกเข้าไปตัดไม้วิ่งปาแตกและตะโกนอะไรลั่นมาพร้อมกัน มีเสียงคำรามอย่างดูร้ายเกรียวกราดของพยักกล้องไปทั้งป่าดังไม่ห่างออกไปนักทั้งกลุ่มที่ยืนคุยกันอยู่ฝั่งนี้หันควับแม้จะเคยชิงกันมาก่อนสักเพียงใดก็ตามก็อดที่จะสะดุ้งสุดตัวใช่ไม่ได้ไรเฟิลในมือของทุกคนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมอยารินทลันปาดเข้าเล่นข้ามลำทานไปยังตำแหน่งที่มาของความชุลมุนบุบวายนั้นตปเชื่ากะชยันรังตัวไว้ซะก่อน อนุชาปาก้นบุรีในมือทิ้งบอกเร็วหรือว่าอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องตามผมมาพี่ใหญ่เอาตัวน้อยไว้ก่อนแล้วกันว่าแล้วเขากันนันอินก็เก้ายาวๆตัดข้ามลำทานตรงไปยังพวกนั้นทันทีอีกสามคมจึงยืนระวังเตรียมพร้อมอยู่ที่เก่าสงสัยตาค้นหาตามไปซึ่งก็ไม่พบอะไรนอกจากพวกกระเรียงซับบอลที่ชุมนุมกันอยู่ที่ซากช้าง เตรียมจะเอาเสือที่ถูกยิงดับไปตั้งแต่เมื่อคืนกลับซึ่งกำลังยืนรวนเรราสัมระสัยกันอยู่ทุกคนได้ยินเสียงอนุชาตะโกนถามอะไรพวกนั้นออกไปสองสามประโยคแล้วก็ออกวิ่งตัดทายเข้าไปในปา่าพร้อมนันอินสวนทางกับกระเรียงที่ทำหน้าที่ไปตัดไม้ในพงทึบของทางฝั่งโนนหายไป ท, ทันทีชั่วอึดใจใหญ่เท่านั้นมีเสียงไรเฟิลแผระเบิดึก ก้องตูมสนั่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็้องเงียบกริบลงตามเดิมต่อมาอีกไม่นานของการยืนรอฟังข่าวกันอย่างกระสับ ก, กระส่ายทุกคนก็เห็นมอมราชวงอนุชาหรือพรนชดโผล่ออกมาจากเงาไม้พูดอะไรอีกสองสาคำกับเกรเรียงปีอันเป็นหัวหน้าหมู่บ้านซับบอแล้วเดินกลับมาด้วยอาการปกติเกือบยุ่งแล้วเขาบอกเรียบเรีย เปิดลูกเลื่อนไรเฟิลในมือออกกระชากปลอกเก่าที่ยิงแล้วสลัดทิ้งแล้วบรรจุนัดใหม่เข้าไปในรังเพลิงแทนเพื่อให้เต็มอัตราตามเดิมแล้วลดนกไว้ตามองไปอย่างน้องสาวไอเสือตัวที่เธอยิงไว้เมื่อคืนโดยบอกว่ายิงผิดนั่นแหละเตรียมจะขบขหม่องกระเรียงที่แยกไปตัดไม้โชคดีนะที่ไอ้นันเห็นซะก่อนวิ่งตาแหกหนีมาได้ กระสุนของเธอที่ว่าผิดนะมันถูกตะโภกหลังหกักขาทั้งสองข้างของมันตะกายหนีไปได้ไม่ไกลนอนเป็นเสือเจ็บซุ่มอยู่ในพงรกกพอพวกนั้นเข้าไปตัดไม้ใกล้ๆ ก, ก, ก็ทำท่าจะเล่นงานเพราะจะไปต่อก็ไม่ได้ไอะจะตายก็ยังไม่ตายก็กลายเป็นเสือลำบากนอนเลียแผลอยู่โอ้ดารินตกใจครางออกมาแล้วเป็นไงคะพี่กลางจัด ก, การเรียบร้อยแล้วเหรอ ก็จัดการเนะี่ยจัดการน่ะมันพ้นเวรพ้นทุกไปแต่พี่ไม่ชอบเลยที่จะต้องเดินเข้าไปยิงเสือขาหลังสองข้างหักทําอะไรใครไม่ได้ถนัดนอกจากหมอบแยกเขี้ยวคู่ํารามอยู่ก็เป็นนั้นเรียบร้อยไปแทบทีทั้งสองตัวไม่ต้องปล่อยให้ชาวบ้านแถวนี้ต้องเดือดร้อนต่อไปทุกคนถอนใจออกมาอย่างโล่งอกสิ้นเคราะห์หมดกังวลไปที เมื่อคืนนี้ตัวที่สองนั่นน้อยนึกว่ายิงผิดสิกลายเป็นว่ายิงให้มันเจ็บพิการไปแล้วก็ไปไหนไม่ได้ไกลนอนอยู่ ใ, ใกล้ๆนี่เองดีที่มันไม่ทันขบขอมองของพวกเราคนใดคนหนึ่งเขา้าดารินครางเสียงอ่อยพี่ชายกลางทําเสียงหืในลําคอพวกที่แยกไปตัดไม้มาทําคานหาไม่ตัวแรก่ะไม่ทันรู้ตัว เดินเสื้อซ่าเข้าไปใกล้ตำแหน่งที่มันนอนเลียแผลอยู่พอดีเห็นบอกว่าแทบจะเหยียบลงไปบนหัวมันทีเดียวถ้ามันไม่คำรามลั่นขึ้นมาสักก่อนอะ่ะล่ะใจมาดูตำแหน่งที่พอย่อชายเคยนอนพักอยู่กับพวกนายจ้างกับพามาแล้วพอใจยังหรือว่าใจ ะ, จะากจะอยู่ตรวจหาอะไรอีกต่อไปโธ่พี่กลางอย่าดุดันกริ้วกราดกันน้อยมากนักสิคะ ร้องออกมาอย่างเบาๆน่าสงสารอนุชาถอนใจยาวแล้วก็เปลี่ยนเป็นยิ้มเดินเข้ามาจับแขนน้องสาวพยักหน้ากับคนอื่นๆไปถ้งนั้นก็กลับไปกินข้าวที่แคมกันเสร็จแล้วจะได้ออกเดินทางต่อยิ่งทวงเวลาชักช้าโดยไม่จำเป็นเข้าไปเท่าไหร่โอกาสที่เราจะตามเขาทันก็ยิ่งน้อยลงไปเท่านั้นเราควรจะรีบเดินทางกันให้เร็วที่สุด ลอยกระเรียงพวกนี้ไว้ที่นี่แหละคงจัดการแบกเสือสองตัวตามหลังเราไปเองไม่ต้องห่วงเขาหรอกทั้งคณะพากันเดินกลับเข้าเขตหมู่บ้านโดยปล่อยกระเหลียงปีและพวกทิ้งไว้ที่เก่าให้จัดการกระเสือทั้งสองตัวกันเองนันอินหันไปตะโกนสั่งความกับพวกนั้นก่อนที่จะพลักมาเสียงบกวิกเมื่อต่างกลับมาถึงเขตหมู่บ้าน หุงหาเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการควบคุมดูแลของขยินพอเห็นคณะเจ้านายเดินกลับมาทางด่านเข้ามาในบริเวณขยินก็ตะโกนถามมาก่อนเรื่องเสียงปืนที่ดังสนั่นได้ยินถนัดมาถึงหมู่บ้านนั้นอินบกมือร้องบอกความสั้นๆให้พอเข้าใจขยินก็เลิกสนใจเพราะไม่ถึงก็เกิดเหตุร้ายเป็นอันตรายกับใคร อีกอย่างหนึง่งขยินก็คุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่จนชาชินและวยิงเสือหรือช้างคว่ำไปสักตัวหนึ่งก็เหมือนเหมือนกับยิงกระรอกกระแตเท่านั้นสำหรับยอดนักผจนภัยที่เคยร่วมทางกันมาในอดีตเมื่อไม่นานมานี้นักระหว่างทานอาหารทุกคนเห็นดารินซึมๆไปชา ย, ยันพยายามชวนพูดเรื่องขบขันปลอบใจอยู่ตลอดเวลายังมากที่สุดหล่อนก็เพียงแต่ฝืนยิ้มเท่านั้น พอทานอาหารเสร็จเชษฐาก็สั่งให้พวกลูกหาเตรียมเก็บของทันทีระยะเวลาระหว่างนี้ก็ปรึกษาหารือกันอีกครั้งเอาอยัางไงเอาอยัางไงกันดีล่ะครับพี่ใหญ่สำหรับวันนี้อดีตพรานชดหรือพี่ชายกลางของราชวงศ์วราริธเอ่ยถามขึ้นง่ายๆระหว่างดื่มกาแฟคำถามเขาไม่เจาะจงเฉพาะเชษฐาแต่มันกินความเปลยหารือไปอยังช ย, ยัน แหมอมราชวงหญิงดารินผู้เงียบขรึมด้วยเราจะใช้วิธีย่นระยะทางบาบหน้าไปห้วยสือร้องเลยหรือว่าจะใช้วิธีแกะรอยตามหลังไปเรื่อยๆก่อนนิ่งคิดอยู่ครู่เดียวเชษฐาก็บอกอย่างระมัดระวังว่าพี่คิดว่าเฉพาะวันนี้น่ะเราแกะรอยหรือเดินทับรอยเข้าไปก่อนดีกว่า เหตุผลก็คือเราต้องการจะตรวจสอบเส้นทางเดินของเขาตลอดจนค้นหาร่องรอยอะไรด้วยถ้าแยกไปทางอื่นใช่โดยวิธีก้าวสกัดดักหน้าเราจะไม่พบวี่แววของเขาในระหว่างนี้เลยเรายังต้องการสำรวจให้ได้ว่าเขาพักกันที่ไหนมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นยังไงหรือไม่ซึ่งไม่มีอะไรดีไปกว่าเดินทับรอยไปแต่ใช้วิธีเร่งเวลาเอา เพราะถ้ามีการหักหลังประทักกันหรือว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายอะไรขึ้นสะก่อนระหว่างรระพินกับพวกนั้นการเดินตรวจทับเส้นทางไปจะช่วยให้เรารู้ได้ทันทีก็ได้ครับแต่ผมคิดว่าในระยะช่วงต้นๆที่ยังค้นไม่พบซากเครื่องบินตกนี่พวกนั้นต่อให้แกะเรียมแผนไว้ยังไงก็คงยังไม่กล้านำออกมาใช้กับคณะของรัะพินนะครับ จากซับบอนที่นี่เธอคิดว่าระพินจะนําพวกนั้นไปยังจุดไหนต่อหมายถึงการพักนอนน่ะพี่ชายใหญ่ถามต่อไปโดยเร็วอนุชาหันไปซุบซิบหาฤกษ์กนันอินและขยินครูเดียวก็บอกว่าผมเข้าใจว่าระพินควรจะมุ่งไปโป่งน้าร้อนเป็นจุดหมายถัดไปแล้วก็อาจจะไปถึงและพักนอนกันที่นั่นไม่มิฉะนั้นก็ในระหว่างเส้นทาง ระหว่างซับบอนกระโป่งน้ำร้อนนี่แหละถ้าขั้มซะก่อนพระระยะทางมันห่างไกลไม่ใช่ล่นเหมือนกันถ้าไม่ตัดทางลัดคงไม่ถึงก่อนขั้ส่วนถ้าตัดทางลัดต้องปีนแต่หน้าผาสูงชันเดินเรียบไปในระหว่างไหลผาสูงมันมีอันตรายมากไม่เหมาะสำหรับกองคาราวานใหญ่ยกเว้นแต่จะไปกันเฉพาะพวกของรพินเองเท่านั้น ผมก็ไม่แนใ่ใจว่าเขาจะเลือกเส้นทางอ้อมหรือทางลัดเดวใจไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนกลางตัวนายเองนันอินแล้วก็ขยินก็ชำนาญเส้นทางดีอยู่แล้วนี่ขอถามสักข้อเถอะว่าจากรับบอ น, นี่จนถึงห้วยเสือร้องระบินควรจะนำพวกนั้นไปถึงภายในเวลากี่วันชยันเอ่ยแทกขึ้น ไม่มีอุปสรรคแล้วก็ไม่มีการเสียเวลาที่ไหนนะคือค่ำก็พักเช้าก็ออกเดินโดยคํานวณว่าเขาจะต้องผ่อนฝีเท้ารอคอยพวกนายจ้างและลูกหาที่แบกของหนักด้วยอย่างช้าก็ไม่ควรจะเกิน6วันแต่ถ้ามีเหตุอื่นใดมาทําให้ต้องเสียเวลาหยุดพักที่ไหนมากกว่าหนึ่งคืนมันก็จะเช้าไปอีกอดีตพรานชดผู้ชํานาญป่าแถบนี้ทั้งหมด เกือบจะเท่าๆกับคนชื่อรพินไทยวันตอบมาโดยไม่ต้องคิดตลอดเวลาที่พี่ชายและเพื่อนปรึกษาหารือกันดารินได้แต่นั่งมองตาคนน้นทีคนนิทีหล่อนทำหน้าที่ฟังอย่างเดียวชายันทำปากหมุบมิบนับนิ้วมือคำนวณแล้วก็ว่ากว่าพวกเราจะออกติดตามมานี่รพินล่วงหน้าไปก่อนประมาณเจ็ดปวันแล้ว ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรอย่างแกว่าเขาก็ควรจะเลยผ่านห้วยเสือร้องไปแล้วถัดจากห้วยเสือร้องไปก็เข้าเขตป่ามรณะที่เราเรียกกันว่านารกดาเลยใช่ไหมอืมถูกต้องเข้าเขตป่าหลงสำรวจหรือแดนสนทยาไปเลยสำหรับทางด้านนี้แบบเดียวกันพอผ่านหมู่บ้านลมช้างของขยินก็จะหลุดเขตรกดําเหมือนกันแต่มันคนละมุมคนละองศาของทิศกัน มีเขตหมู่บ้านชาวป่าสักอีกกีหมู่บ้านจึงจะถึงห้วยเสือร้องอย่างว่านี่เชษฐาถามต่อไปนอกจากซับบอลที่นี่แล้วก็มีชุมชนของชาวป่าขั้นระยะทางอยู่เพียงแค่หมู่บ้านเดียวเท่านั้นคือหมู่บ้านตะเคียนทองจากนั้นก็ห้วยเสือร้องซึ่งก็เป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ดงดําแต่ก่อนจะถึงตะเคียนทองนะ่ะมันห่างไกลามากนะัก เป็นตาเขาสลับดงดิบตื่ตลอดสองวันต่อจากนั้นไปเราจะยังไม่พบหมู่บ้านเลยนั่นก็เอาอย่างที่ว่านี่แหละวันนี้เราจะเดินทับรอยเข้าไปก่อนและพยายามค้นให้พบให้ได้ว่าเขาพักแรมกันอยู่ที่ไหนหาข้อมูลหลักฐานในการเดินทางของพวกนั้นไปซักระยะต่อไปค่อยตัดสินใจกันใหม่ว่าจะใช้วิธีก้าวสกัดหรือจะทํำยังไงแต่ถึงยังไงก็ตามหมู่บ้านตะเคียนทองก็ดีหรือหมู่บ้านห้วยสืร้องก็ดี เราจะเลี่ยงผ่านพ้นไปเฉยๆไม่ได้เพราะเราจะต้องหาข่าวจากพวกนั้นด้วยต้นไม้มันบอกความเราไม่ได้แต่คนบอกได้พี่ชายใหญ่สรุปทุกคนเก็บของเสร็จและเตรียมพร้อมเมื่อเวลาเพียงแค่สาโมงเช้าหรือ9ก้านาฬิกาตรงมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่กระเรียงปีและพวกเชื่อกันหาเสือขนาดใหญ่สองตัวเข้ามาในเขตหมู่บ้าน พวกซับบอนไม่ขอร้องหรือพยายามจะถ่วงประวิงเวลาไว้เมื่อรู้แน่ว่าทั้งคณะกำลังจะเคลื่อนย้ายแต่ชี้ทิศทางให้พร้อมทั้งยืนยันซ้ำสนับสนุนแนวความเห็นของหม่อมราชวงศ์อนุชาว่าระพินจะต้องมุ่งโป่งน้ำร้อนเป็นเป้าหมายต่อไปแน่แล้วก็รับอาสาที่จะนำทางไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนโดยให้พบกับเส้นทางที่คณะของระพินบ่ายหน้าไปเป็นจุดเริ่มต้น เมื่อนับจากซับบอนดเพราะการเคลื่อนขบวนของคณะที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนั้นไม่ได้ตัดผ่านหมู่บ้านหากแต่เดินเฉียดไปทางด้านตะวันออกก่อนแล้วจึงวกขึ้นเหนือ16คนอันประกอบด้วยสามพี่น้องสกุลวราริตเพื่อนตายเปรียบเสมือนญาติอีกหนึ่งแทนเท่านาันอินขดินแห่งลมช้างกับลูกหาบห้าคู่1ิบคน ก็เคลื่อนขบวนผลาจากหมู่บ้านซับบอลไปอย่างง่ายง่ายรวดเร็วฉับไวโดยไม่มีอะไรต้องอืดอาดล่าช้าเสียเวลาเลยความคุ้นเคยมาก่อนสมัยบุกเทือกพระศิวะทำให้ปัญหาทั้งมวลกลายเป็นเรื่องเล็กสิ่งที่เจษฐาและชัยยันสังเกตเห็นสำหรับน้องสาวคนเล็กของคณะก็คือห่อนไม่สนใจว่าจะต้องอาบน้าชาระ ก, กายใดๆทั้งสิน้นผิดกับสมัยก่อนมากผู้ชายคล่องตัวได้แค่ไหน หล่อนก็คล่องได้แค่นั้นเงียบขรึมจะพูดกับใครก็เฉพาะจำเป็นเท่านั้นพอเริ่มออกเดินทางก็คอนไรเฟิรนในมือก้าวฉับๆไปในทันทีตาคมเฉียบกวาดมองป่าสองข้างทางผ่านไม่ว่าจะซ้ายขวาสูงตำ่ำเราแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลาเรากับจะก็อปปี้แบบตัวระพินไครวันหรือมีวิ ญ, ญญาณของเขาเข้าสิงอยู่เต็มเปี่ยม เะ่นนั้นมุมาณนะประกาศแววทรหดสุดใจขาดดิ้นผิดไปเป็นคนละคนกับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์ผู้อยู่ท่ามกลางอารยธรรมในเมืองพอเข้าสู่เส้นทางเดินของคณะรพินอันพอจะเหลือร่องรอยให้เห็นอยู่บ้างจากรอยเท้าและก้นบุรีที่ทิ้งไว้กระเลียงปีก็แยกตัวกลับปล่อยให้คณะไปกันตามลำพังขอโชคดีครับนาย ขอให้ตามพลานใหญ่ได้พบนะครับนั่นเป็นคําอวยพรประโยคสุดท้ายของนายบ้านซักบอนผู้ปรารถนาดีทุกคนโบกมืออำลากระเลียงปีผู้ยืนดูอยู่จนเลี้ยวโค้งทางด่านลับตาไปดารินนั้นเร่งฝีเท้าเต็มที่เดินแกะรอยอยู่หน้าขบวนตลอดเวลา ไม่สนใจว่าพี่ชายหรือเพื่อนจะร้องเตือนให้ลงมารวมกลุ่มด้วยผลที่สุดก็กลายเป็นว่าเร่งให้พรานชดหรือหมอมราชวงศ์อนุชาพี่ชายกลางต้องกลัวตามขึ้นไปประกบใกล้ชิดและเร่งขบวนทั้งหมดให้เคลื่อนที่อย่างรีบรุดด้วยทุกคนอดประหลาดใจไม่ได้ว่าหล่อนไปเอาพละกําลังเรี่ยวแรงมาจากไหนการเดินรุดหน้าไปนั้นเป็นการเดินทับรอยของคณะรพินไปนั่นเอง รอยบากฟันกิ่งไม้ไว้อันเป็นธรรมชาตินิสัยของพวกพรานลูกน้องคู่ใจของเขาบ่งชี้บอกให้เห็นอยู่เป็นระยะระยะให้พบได้นันอินนั้นได้รับคำสั่งจากอนุชาให้คอยเดินอยู่ใกล้ๆเชิถาและชา ย, ยันเพื่อคอยเป็นที่ปรึกษาตอบคำถามส่วนขยินไปคุมอยู่ท้ายขบวนไต่ขึ้นเนินสูงตามลำดับพบด่านช้างขนาดใหญ่ ที่ทอดไปในระหว่างรลอนเขาสองลูกเชื่อมต่อดารินทำหน้าที่เป็นพรานนำทางไปในตัวโดยอาศัยแกะรอยเส้นทางเดิมเก่าของรพินไปทุกระยะซึ่งอนุชาผู้เดินเคียงคู่อยู่ใกล้ชิดก็นิ่งเฉยเพื่อที่จะทดลองสอบภูมิของน้องสาวว่าหล่อนจะสามารถแกะรอยได้แค่ไหนเขายอมรับอยู่ในใจเงียบๆว่าดารินจัดอยู่ในชั้นชนานาญทีเดียวไม่มีการลังเลหรือปรีปากถามเขาสักคำ บางระยะหล่อนอาจหยุดพิจารณาใครครวนอยู่บ้างแค่มองสังเกตสภาพของป่าหลังจากนั้นก็ออกนำต่อซึ่งแม่นยาไม่มีการคลาดเคลื่อนเลยอนุภาพของความรักมันเป็นเช่นนี้เองจากความอ่อนแอปวกเปียกที่สุดกลับกลายมาเป็นความเกล้าแกรง่งทอรหดขีดสุดน้องสาวเรารักเขาจริงแท้แน่นอนเด็ดเดี่ยวและมั่นคงสุดชีวิตซะแล้ว ชนิดไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้อนุชารำพึงอยู่ในใจและมันก็เป็นความจริงหากแม้ว่าดารินวราริศโลเลหล่ะแหละไม่แสดงความมุ่งมั่นจริงใจในการที่จะออกติดตามระพิน์ชะคนเดียวเท่านั้นเขาผู้เป็นพี่ชายรวมไปถึงพี่ชายใหญ่เชษฐาและเพื่อนชายยันใครจะเป็นคนขนาาันอาสา อย่างมากที่สุดก็คงเข้ารอคอยฟังข่าวกันอยู่เท่านั้นแต่การมาในครั้งนี้มันหมายถึงการเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวจุดบันดาลใจก็มาจากเจตนามุ่งมั่นของน้องสาวเป็นแรงผลักดันสาคัญนั่นแหละพอขึ้นด่านช้างอันเป็นทางราบกว้างทอดแนวไตสูงขึ้นไปอนุชาก็ขยับไรเฟิลด้วยสัญชาตญาณเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งยืนทมึน โบกว่าถูอยู่บนเนินสูงเบื้องหน้าห่างไปแค่ไม่เกินสามสิบเมตรเท่านั้นเหมือนจะรอคอยอยู่ก่อนแล้วแต่ดารินผู้จำได้เหมือนกับว่ามันเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคบกันมานานปีเอามือซ้ายตบกระบอกไรเฟลิลพี่ชายไว้เจ้าด้วนค่ะจำไม่ได้เหรอพี่กลางแล้วหล่อนก็ตะโกนแหลมกล้องขึ้นไปว่าด้วนไป นำหน้าไปพาฉันไปพบกับระพินให้ได้ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายฉันรู้ล่วงหน้าแล้วว่าเธอจะต้องมาคออยู่ไปเลยนำไปเลยด้วนพญาคดชสารผู้ดูเหมือนจะมีสัญชาตญาณอย่างซึ่งเข้าถึงจิตใจของมนุษย์สาวน้อยผู้มีนามว่าดาริน ม, มากที่สุดเราก็ว่าชาติปางก่อนจะเคยอุปถัมเป็นมิตรสนิทกันมา ้งยศีษะสะบัดปลายงวงเป่าลมพลูออกมาแล้วเบนตัวกลับเดินขึ้นเนินนำดุมดุงไปเบื้องหน้าราวกระชังเลี้ยงที่เชื่องแสนเชื่องสำหรับเรยหญิงสาวยิ้มออกมาได้หันมองหน้าพี่ชายกลางผู้ถอนใจยาวเอามือป้ายเงือที่หน้าผากโคลงหัวช้าช้าเฮ้เกือบไปแล้วเขาพึมพำออกมา น้องสาวหัวเราะออกมาเบาๆได้เป็นครั้งแรกสำหรับเช้าวันนี้เห็นไหมพี่กลางมันเชื่องแสนรู้แล้วก็จงรักภักดีกับพวกเราจะตายไปเออกับเธอโดยเฉพาะอ่ะสิมีจะพวกเราทุกคนไปหรอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ามันพบพวกเราคนอื่นๆโดยไม่มีเธออยู่ด้วยอ่ะมันจะไล่เหยียบเล่นเอาหรือเปล่าโถ<ฮ>พี่กลาง ทำไมถึงดูเจ้าด้วนในแง่ร้ายอย่างนั้นล่ะคะช้างเป็นสัตว์แสนรู้กระตันยูแม้มเมื่อมันเชื่องกันน้อยได้มันก็ต้องเชื่องแล้วก็เป็นมิตรกับพวกเราทุกคน<ม>ที่มานี่ด้วยแน่นอนก็เพราะรู้อยู่แล้วนี่ว่าเป็นพวกเดียวกันสําคัญก็ใครอย่ไปบุ่มบามยิงมันเข้าก่อนเท่านั้นแหละฮะโล่งนะโล่งอกไปทีที่เห็นเจ้าด้วนมันดักรอยอยู่ด้วยน้อยจากนึกแปลกใจตั้งแต่ตื่นนอนเช้านี่แล้ ว่ามันหายไปไหนมองไม่เห็นวี่แววเลยโธ่ที่แท้ก็มาดักรอคอยอยู่ตรงนี้เองเราก็จะรู้นะว่าเราจะบ่ายหน้าไปทางไหนเสียงพวกเชษฐถาและชัยยันตะโกนถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะคนเหล่านั้นกําลังไต่ทางขึ้นมาและยังมองไม่เห็นภาพนั้นอนุชาจึงร้องบอกสั้นๆให้เข้าใจลงไปว่าพบเจ้าด้วนมาดักรออยู่ และขณะนี้ก็เดินนำหน้าไปตามเส้นทางที่จะบ่ายหน้าไปอยู่แล้วพร้อมทั้งเร่งให้ทั้งคณะกดฝีเท้ากระชั้นชิดเข้ามาเพื่อจะได้เดินเกาะหมู่ไปด้วยกันอีกกลางและน้องสาวเล็กสาวเท้าไปตามเส้นทางด่านอันกว้างใหญ่นั้นพอขึ้นยอดเนินสูงและต่ำลงไปข้างหน้าก็เห็นเจ้าด้วนเดินเนิบเนิบนาอยู่เบื้องหน้าต่าลงไป ระยะห่างประมาณ7 8็เมตรดารินสังเกตดูการเดินจากขาหลังของมันในเชาวันนี้รู้สึกจะคล่องขึ้นกว่าเดิมมากไม่ปัดเพกัะโผกระเพกเหมือนเมื่อวันแรกแสดงว่าบาดแผลที่เ ท, ท้าหลังอันเกิดจากขนเม่นตำและหล่อนได้เยียวยารักษาให้หรือมีอาการดีขอ ย, ยังชั่วขึ้นมากแล้วอนุชาเองในฐานะพรานเก่าก็สังเกตเห็นได้ในเรื่องนี้เช่นกัน ดูมันสบายขึ้นมากแล้วนี่น้อยจากการช่วยเหลือของเธอค่ะขอให้มันหายเร็วๆเถอะน้อยน่าเชื่อมั่นอย่างประหลาดว่าเจ้าด้วนจะเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างมากที่สุดในการเดินทางติดตามระพินครั้งนี้มันจะต้องรู้ว่าเขาายหน้าไปทางไหนหล่อนพูดยางมั่นใจแต่พี่ชายสายหนะแต่พี่ไม่นแน่ใจนักนะน้อยยิงอยู่การสานึกในบุญคุณ การรักสนิทระหว่างเธอกับมันทําให้มันมาเดินคลอเคลียอยู่ใกล้ชิดคณะของเราแล้วก็ไม่หนีไปไหนห่างไกลโดยเฉพาะถ้ามีเธออยู่ด้วยแต่พี่คิดว่ามันอาจจะชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแหละต่อไปสักพักมันก็อาจจะแยกทางของมันไปตามเรื่องตามวิสัยช้างป่ามันก็ต้องดูกันไปแล้วคัะพี่กลางแต่น้อยมั่นใจอย่างที่สุดนะคะถือยังไงซะเจ้าด้วงจะไม่มีวันผลักจากเราไป พี่กลางไม่คิดว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับสหรับเราบ้างหรอคะในการที่มีช้างป่านักสู้ตัวเท่าตึกคอยใกล้ชิดเป็นหน่วยลาดระเวนนำหน้าให้เราอยู่แบบนี้พลันชดพยักหน้าตาจับมองดูบั้นท้ายที่เห็นหางด้วนชัดของคดจะสารใหญ่ที่เดินเนิบเนิบนำทางอยู่เบื้องหน้าก็ถ้ามันพร้อมที่จะไปกับเราทุกขณะ เราพักที่ไหนมันก็คอยอยู่ใกล้ๆด้วยก็ต้องนับว่ามีประโยชน์มากทีเดียวเพราะถ้าเกิดเรื่องร้ายอะไรขึ้นมันจะส่งสัญญาณไปให้เรารู้ตัวก่อนทันทีประสาทสัมผัสของช้างนะ่ะมันดีกว่าคนมากนะักกลัวอย่างเดียวแหละเวลาพักค้ามืดดึกเดินเจ้าด้วนเสือกเดินพรวดพลาดเข้ามาตรงที่เราพักพวกลูกหาหรือคนอื่นๆตกใจเข้าใจผิดยิงตูมตามออกไปมันจะยุ่งกันใหญ่ ไม่หรอกค่ะพี่กลางน้อยกาชับพวกนั้นไว้ทุกคนแล้วล่ะและเจ้าด้วนก็ฉลาดมากก่อนที่มันจะเข้ามาใกล้เรามันก็มักจะให้สัญญาณเตือนให้รู้ก่อนเสมอว่าเป็นมันเป็นต้นว่าเสียงร้องแอะแอะเสียงเคลื่อนไหวเข้ามาช้าๆจะไม่กระทําโดยการจู่โจมพรวดพราถ้าพวกเราไม่ประสาทกันโจนเกินไปนักในเรื่องยิงเพราะเข้าใจผิดก็จะต้องไม่เกิดขึ้น เรื่องนี้น้อยจะคอยหมั่นตรวจตราและตักเตือนพวกเราไว้เสมอค่ะเออมันก็แปลก ด, ดีเหมือนกันนะน้อยระหว่างเธอกัเจ้าช้างตัวนั้นที่มีธรรมชาติเข้ากันได้อย่างดีที่สุดยิ่งกว่าควานกระช้างบ้านได้อีก ท, ทั้งทั้งที่มันก็เป็นช้างป่าโดยกาเนิดมิหนำสอบดูจะพวกชาวป่าทั้งหลายยังจัดอยู่ในประเภทจอมเกเรซะด้วยแต่มันก็ไม่เคยฆ่าใครสักคนนี่คะพี่กลาง ไอ้ที่ชาวป่ากล่าวหาว่ามันเป็นช้างเกเรนะ่ะน้อยคิดว่ามันเป็นช้างขี้เล่นช่มากกว่าไม่งั้นระพินจะสั่งกำชับพวกนี้ไว้ทําไมว่ามีอมันตรายอะไรมันแม้ว่าบางขณะมันจะกวดขับพวกพรานปา่าหลายต่หลายคนวิง่งกระเจดิดกระเจิงหน้าตั้งมาแล้วมันเป็นช้างของระพินค่ะและมันก็รู้ความในใจของน้อยด้วยเพราะมันพาน้อยให้ไปพบกับที่พักของระพินกับพวกนั้นมาสองครั้งแล้วซ้ํายังช่วยเราทั้งหมดไว้ด้วย ตอนที่ถูกไอช้างร้ายโขลงลึกลับนั่นรอบซุ่มโจมตีนี่ทาไม่ได้ไอ้ด่วนประท่าไว้ก่อนและส่งสัญญาณเสียงร้องให้พวกเรารู้ตัวป่านนี้พวกเราไม่คนใดก็คนหนึ่งคงจะได้รับอันตรายไปบ้างแล้วละเมื่อวานบักเมื่อบ่ายวานเนี่ยไม่อยากจะขัดคออะไรน้องสาวพราะรู้ว่าจิตใจภายในขณะนี้เป็นยังไงหม่อมราชวงศ์อนุชาจึงนิ่งเฉยซะปล่อยให้หลอน อำเภอลำพึงไปคนเดียว15นาทีเข้าไปแล้วของการขึ้นมาเดินกันอยู่บนด่านช้างอนุชาเหลียวหลังยังเห็นพวกเชฐฐาชยันและลูกหาบทอดระยะทิ้งอยู่ห่างออกไปตั้งเกือบร่วมร้อยเมตรจึงปลดวิทยุประจำตัวขึ้นมาชูให้ทุกคนเบื้องหลังเห็นอันเนื่องจากตะโกนพูดกันก็คงไม่ไหวและเปิดเครื่องขึ้นทันที ทำเวลาหน่อยขึ้นมาเดินรวมกลุงกันดีกว่าเขาพูดลงไปในเครื่องเสียงชา ย, ยันก็ดังอ้าวตอบมาว่าโอเคจะเร่งตามขึ้นไปเดี๋ยวนี้แหละความจริงพวกเราก็ไม่ได้เดินช้ากันนะแต่กแกกันน้อยดูถ้าจะเป็นระพินไัยวันไปซะแล้วเดินเร็วผิดสามัญธรรมดาไม่ต้องหยุดรอรอกเพียงแค่ผ่อนฝีเท้าลงนิดแล้วพวกเราจะเร่งขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวก็ทันเอง แล้ว ย, ยันก็เรียกเพื่อนสาวนี่น้อยว่าไงายชั ย, ยันไม่เหนื่อยเลยบ้างอะ่ะพรานอาชีพขนาดนานอินหรือขยินยังบอกเลยว่าไม่เคยเห็นใครเดินเร็วได้เท่ากันนายหญิงนอกจากพรานใหญ่ระพินเท่านั้นเหนื่อยนะมันก็เหนื่อยรอกชั ย, ยันตอนนี้เหงื่อฉันชุ่มไปหมดทั้งตัวแล้วอยากอาบนะ้าแต่กาลังยังมี และฉันก็ต้องการทำเวลาอย่างที่สุดถ้าขืนมัวโอเออยู่แล้วก็จะทิ้งนะนะไม่รอแล้วเสียงชายันหัวเราะมาดังลั่นเครื่องรับนี่ใหญ่ถึงก็ยังงั้นเลยแม่ทุนหัวหรืจะเก่งแต่เฉพาะวันสองวันแรกตอนที่ไฟยังแรงอยู่เท่านั้นต่อไปเนะี่ยฉันไม่อยากเห็นเธอคลานโอ้ยไม่มีศละที่จะคลานมีแต่จะลม้มและถ้าล้มเมื่อไหร่ก็ขาดใจเมื่อนั้น ฝังฉันได้ทันทีนี่นี่น้อยไม่จำเป็นจะต้องหักโหมนกักเสียงพูดในครั้งนี้เป็นของพี่ชายใหญ่เต็มไปได้วยความการุนและปลอบใจไปกันตามธรรมดาก็แล้วกันไม่ต้องรีบร้อนเกินไปเรามีวิธีการที่จะก้าวสกัดหรือดักหน้าอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งคำนวณกันดูแล้ว พวกเราก็จะต้องเดินทางได้เร็วกว่าคณะของระพินไม่ต่ำกว่าเท่าตัวว่าแต่จะเอาอยัางไงแน่สาหรับช่วงนี้เดินตามไม่ด่วนไปเรื่อยหรือไงก็มันยังนําเราไปข้างหน้าตามด่านใหญ่นี่คะและตลอดเส้นทางที่ผ่านมาก็ตรวจพบร่องรอยของคณะระพินที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วมีเศษกระดาษเคมีสําหรับเช็ดหน้าของผู้หญิงก้นซิ ก, ก้าและก็ก้นบุหรี่ ทิ้งไว้หินเป็นระยะระยะหนีกลางเจ้ายังไงขณะนี้นาะยน้อยกลายเป็นมครคุเทศไปเสีแล้วหรือไงเชี่าเรียกไปยังน้องชายคนกลางปรึกษาทางวิทยุในระยะที่ต่างฝ่ายต่างเดินตามกันมาแต่ห่างกันลิบลิถ้าจะปล่อยตามความคิดเห็นของน้อยก็คือจ้เดืวนใบหน้าไปทางไหนเขาก็จะตามไปทางนั้น แต่ผมนั่นไม่ยอมหรอกเพราะไม่รู้ว่าเจ้าหางด้วนมันจะพาเราไปไหนกันแน่ถ้าขืนยึดด่านช้างบนสันเขานี่ไปเรื่อยๆมันจะบายหน้าไปโป่งกระทิงไม่จะโป่งน้ําร้อนคนละทิศทางกันเลยดีสักพักผมจะตัดเขาลงป่าไผ่ทางด้านซ้ายมือมุ่งเหนือแล้วก็จะพบทุ่งหญ้าคาและทุ่งแฝกใหญ่ขวางหน้าอยู่ด้านตะวันออกของทุ่งกว้างนี้ เป็นทิวภูเขาหินติดต่อกับโป่งน้ำร้อนเป้าหมายที่เราเชื่อว่าระพินจะไปพักหรือต้องผ่านที่นั่นเพราะในละแวกนี้มีแหล่งน้ำที่จะหาได้อยู่แหล่งเดียวหากฝนไม่ตกเสียงหม่อมราชวงศ์อนุชาตอบมาเชษฐาหันไปหารือกหนานอินผู้เดินอยู่ใกล้กลก็ได้รับคำตอบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับเส้นทางของอดีตพลานชดตรงกับของแก คือจะยึดเส้นทางด่านช้างนี่ตลอดไปไม่ได้นายหญิงมีความมั่นใจอยู่กับเจ้าด้วนตัวนั้นแต่ฟรานชดกับนานอินเชื่อตัวเองมากกว่าไอจะไปไว้ใจเจ้าด้วนมันได้ยังไงมันเห็นพวกเราเดินป่ามันก็เดินไปด้วยเพียงแต่นําข้างหน้าเท่านั้นมันอาจนำเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอนหอดีไม่ดีพาไปป่าช้าช้างซึงก็ไม่รู้คืนไม่มัวหลงตามมันอยู่ หนานอินว่าส่วนขยินหัวร้อบอกมาบ้างว่าหรืมมอไม่งั้นมันก็อาจพาเราไปหาไงทายที่มรกรกนครก็ได้นะนายใหญ่เพราะฉะนั้นเชื่อหนานอินกับพรานชดเถอะดีกว่าเชื่อไอเวนหางด้วนนั่นอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์พยักนะาเขาเองก็เชื่อในความสามารถแกะรอยของอนุชาและพรานครูผู้เฒ่าคือหนานอิน มากกว่าที่จะเชื่อคล้อยตามดารินผู้มีจิตใจจดจอ่อศรัทธาอยู่กระช้างป่าที่บางเอื่นมาผูกมิดกันได้และชั่วไม่นานเพียงแค่อนุชาผ่อนฝีเท้าลงเล็กน้อยและทางด้านเชิดถากับขบวนเบื้องหลังเร่งทำเวลาขึ้นอีกนิดเดียวเท่านั้นสิบนาทีให้หลังทั้งหมดก็เดินตามมาทันโดยไม่มีอะไรชกักช้า แม้แต่พวกลูกหาบสิบคนห้าคู่ที่แบกของหนักอยู่ก็ล้วนแต่เป็นนักเดินดงชั้นดีด้วยกันทั้งนั้นนี่น้อยเธอต้องเชื่อพี่กลางและหนานอินเขานะอย่าเอาแต่ฝากความหวังว่ากับเจ้าด้วนตัวนั้นเชษถาบอกกับน้องสาวผู้ก้าวรุดไปเบื้องหน้าด้วยฝีเท้าอันมั่นคงตาก็มองจับสังเกตอยู่เฉพาะช้างป่าที่นำอยู่เบื้องหน้าหล่อนฝืนยิ้มจืดจๆ พี่ใหญ่แต่ถึงยังไงน้อยก็ยังมั่นใจในเจ้าด้วนของน้อยอยู่เสมอล้วเอาละเป็นนั้นว่าการตัดสินใจเลือกทางยอมให้เป็นของพี่กลางกนหนานอินแต่เราก็คงจะได้รู้กันต่อไปข้างหน้าว่าระหว่างพี่กลางกนหนานอินฝ่ายหนึ่งกับเจ้าด้วนของน้อยอีกฝ่ายหนึ่งใครจะติดตามรอยของรพินได้แม่นยํากว่ากันนี่น้อยวันนี้นะมันอาจ มาเดินเล่นๆกับพวกเราแต่พอพรุ่งนี้ก็คงจะไปตามทิศทางของมันแล้วมันคงไม่คิดจะไปกับเราโดยตลอดหรอกชัยยันว่าดารินเฉยซะไม่ตอบโต้เช่นไรร่างของพญาโคจสารป่าที่เดินดุมดุมไปเบื้องหน้าบางครั้งก็เห็นถนัดบางครั้งก็ลับหายไปจากสายตาเพราะพื้นที่อันลาดต่ำบ้างขึ้นสูงบ้างลักษณะมอและมาก เป็นหลอนคลื่นไม่มีใครสนใจกัมมันักนอกจากดารินคนเดียวประมาณสิบนาฬิกาตรงแดดที่สองลอดกิ่งไม้ทึบบ้างโปร่งบ้างเหนือสีสักขึ้นไปทอดลำเหลืองารามลงมาจับที่พื้นเป็นจุดพราวอยู่ทั่วไปป่าซีกซ้ายมือเทราบเอียงลงไปสู่เบื้องล่างอุดมไปด้วยกอรว่วขนาดใหญ่ อนุชาก็ชี้ให้เห็นก่อนที่จะถึงจุดนั้นประมาณห0สบเมตรเราจะแยกซ้ายตัดตรงลงป่าไผ่ที่เห็นหนั่นแหละครับโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจะพบร่องรอยทางลงของฝ่ายระพินตรงไหนหรือไม่เป้าหมายถัดไปของเราก็คือทุ่งแฝกครับเอาเอาเอายังไงก็เอากันสุดแล้วแต่เธอเถอะกลางพี่ชายใหญ่พยักหน้ารับคำเมื่อถึงที่หมายชีย้กาหนดบอก ผานชดหรืออนุชาก็หันไปโบกมือเป็นสัญญาณกัขยินผู้รังท้ายไม่ห่างนักทันทีให้ต้อนพวกลูกหาบลงไปก่อนตอนเองและคณะยืนพักเหนื่อยดื่มน้ำสุกบุหรี่เป็นตัวแรกภายหลังการเดินกันอย่างเร่งรีบมาเป็นเวลาสองชั่วโมงเต็มๆบนด่านช้างแล้วก็สกิดให้ชัยันกระเชิฐาดูไปที่ดารินผู้ขณะนี้กาลังยืนอยู่บนก้อนหินสูงก้อนหนึ่งมองตามหลังเจ้าด่วน ซึ่งก็ยังเดินดุมดุมของมันไปตามเส้นทางใหญ่นั้นโดยไม่ได้เลี้ยวกลับมาเลยด้วนหยุดก่อนตลับมานีหยุดก่อนหลนป้องปากตะโกนสุดเสียงไร้ผลเสียงของหม่อมราชวงศ์สาวคนสวยสะท้อนก้องไปทั้งความเงียบ เจ้าด้วนมีอาการเหมือนไม่ยินไม่ยนสนใจใดๆด้วยทั้งสิ้นมันเดินดุมดุมของมันไปเรื่อยจนกระทั่งลับแนวโค้งของทางด่านบังลับหายไปกับสายตาเอาเลือกเอาได้นี่น้อยชั ย, ยันยาวมาจะแยกทางลงไปกับพวกเราหรือจะเดินตามเจ้าช้างเกเรเกตุงของเธอตัวนั้นไปก็ตามใจนะนี่นี่น อย่าท่านะเดี๋ยวฉันเดินตามเจ้าด้วดไปจริงๆพวกเธอก็จะต้องเดือดร้อนไล่ตามฉันอีกเท่านั้นเอาละช่างเนอะมันอาจจะเดินไปหาอาหารของมันก็ได้แต่พนันกันก็ได้ภายในวันนี้ไม่ว่าเราจะแยกไปทางไหนมันก็จะต้องพลูไม่เห็นอีกนั่นแหละเออแต่พลูกลับมาคราวนี้มิรพินนั่งขี่คอมาด้วยก็คงจะดีนะเพื่อนชายว่า อ๋อฉันจะกราบมันเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วหล่อนก็ซึดตัวลงนั่งอย่างอ่อนแรงหลับตาพนมมือเหมือนจะเสียงอธิษฐานอะไรอยู่ในใจเพื่อนและพี่ชายมองเห็นแล้วก็ขบขันระคนสังเวทแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรพักกันประมาณห้านาทีโดยปล่อยให้ขยินและนันอินและพวกลูกหาบตัดทางล่วงหน้าไปก่อน พอให้หายเหนื่อยและกำลังขากลับคืนมาอนุชาก็พยักหน้าบอกให้ทุกคนเคลื่อนต่อโดยเขาเป็นผู้นำสภาพของป่าไผ่ที่พวกที่ล่วงหน้าไปก่อนแล้วดูเปลี่ยวเปล่าวิเวกเหลือเกินเมื่อเหลือเดินกันตามลำพังพี่น้องสามคนและเพื่อนอีกหนึ่งคนโดยไม่มีลูกหาบอยู่ด้วยแต่ก็ชั่วไม่นานอนุชาก็ลัดเละตัดทางออกมาบรรจบ พวกที่ล่วงหน้ามาก่อนในระยะระชันชิดห่างกันแค่ไม่เกิน20เมตรเท่านั้นที่พวกนั้นเดินเรียงเข้าขาบวนกันอยู่เช่ตากรชยันถอนใจออกมาได้อย่างโล่งอกและเชื่อมั่นในอดีตการชดเพิ่มขึ้นอีกเป็นอย่างมากในชั้นเชิงเดินป่าการก้าวสกัดและคำนวณทิศทางพวกของพวกเขาซึ่งแม่นยำดีที่สุดโดยไม่จาเป็นต้องแกะตามรอยเท้าของพวกนั้นไป พอบรรจบพบกันได้นันอินก็เดินเลี่ยงเข้ามายังคณะเจ้านายเข้าไปพูดซุบซิบอะไรอยู่กับหม่อมราชวงศ์อนุชาเชษฐาชัยยันและดารินกอตีวงเข้ามาประกบกันทันทีมีไรก็บอกกันให้รู้พร้อมหนะ้าอย่าทําเป็นระพินกับแง่ายในสมัยก่อนมาแอ บ, บซุบซิบอะไรกันเองแบบนี้เตือนหลายครั้งแ ล, นะล้วนะเชษฐาโผงขึ้นโดยเสียงเรียบเรียบ ไม่เชิงว่าจะตําหนิน้องชายกลางยิ้มจิตจืดพี่ใหญ่ครับมีรอยไม้หิงสาลงนอนเกลือกฝุ่นในป่ารวกที่พวกนี้เดินผ่านมาครับใหญ่มากแล้วก็ตัวเดียวอย่างที่เรียกกันว่าโทนซ้ำยังเจอรอยมูลสดๆยังอุ่นอยู่เลยครับสัตเพสัตตาสัตทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ชัยยันพูดขึ้นลอยๆไม่มีอาการตื่นเต้นใดๆทั้งสิน้นเราไม่ได้คิดที่จะมาล่าสัตว์หรือต้องการอาหารประเภทเนื้อในขณะนี้ก่อนเพราะมีพอเพียงแล้วอย่างน้อยก็อีกหลายวันนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิชัยยันปราชดขัดขึ้นเบาๆพร้อมกับหัวเราะเกรียมๆในลําคอไอ้เรานะ่ะไม่เบียดเบียนสัตว์แต่บางทีสัตว์มันก็เบียดเบียนเราเหมือนกัน ถ้าเป็นที่ของมันแล้วอย่างหนึง่งในบรรดาพวกเราทุกคนที่มานี่ก็ไม่ใช่พระธุดง์ผู้ทรงศรีลบริสุทธิ์อะไรที่จะแผ่เมตตาให้กัมันได้ต่างคนต่างก็เคยล่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วทั้งนั้นตำเก่านะอาจตามทันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะนี่แกไม่เคยรู้จักควายป่าที่เรียกว่ามมหิงสาหรอเหรอชายันยักษ์ไหลก็ น้องน้องเคบบัฟฟาโลในแอฟริกานั่นแหละแต่ดูเหมือนจะดูเดือดไร้เหตุผลกว่าซะอีกซ้ำยังว่องไวปราดเปรียวเกินรูปร่างลักษณะสมัยก่อนก็เคยตามล่ากันมาแล้วแทบลม้มแทบตายก่อนจะได้ตัวทาไมแกคิดว่ามันป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้เหรออืมนานอินบอกว่ารอยเท้าทิศทางเดินน่ะมันบ่ายหน้าออกทุ่งแฝกทางเดียวกับที่เราจะไปเนี่ยมันลุกจากที่นอน และล่วงหน้าไปก่อนเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่แล้วมานี่